เก้าอัมพปาลีเทริยาประทานประวัติในดิตชาติของพระอัมพปาลีเทรี พระอัมพาปาลีเทรีเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาของตนจึงกล่าวว่ามอมฉันเกิดในตระกูลกระสัตรเป็นพระภคินีของพระมหามุนีพระนามว่าผุษะผู้มีพระรัศมีงามรุ่งเรืองดุจเสิดมอมฉันได้ฟังธรรมของพระองค์แล้วมีจิตผ่องใสได้ถวายมหาทานแล้วปรารถนารูปสมบัติเรียกลับที่สามสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไป พระชินเจา้าพระนามว่าสิขีทรงเป็นผู้นำชั้นเลิกของโลกทรงสองโลกให้สว่างสวยทรงเป็นที่พึ่งที่ระลึกในไตรโลกสเสด็จอุบัติขึ้นแล้วครั้งนั้นมอมฉันเกิดในตระกูลพราหมณ์ในก ร, รุงอรุณะที่น่ารื่นรมโกรธแล้วสาบแช่งพิกษุณีรูปหนึ่งผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วว่าท่านเป็นหญิงแพรสยาประพฤติอนาจาร พระทุชร้ายพระศาสนาของพระชินเจ้าครั้นด่าอย่างนี้แล้วเพราะกรรมชั่วที่ทำไว้นั้นหมอมฉันต้องตกนรกที่ร้ายกาจเพียบด้วยมหันตทุกข์เคลื่อนจากนรกนั้นแล้วมาเกิดในหมู่มนุษย์ก็มีความเดือดร้อนเป็นประจำครองตำแหน่งหญิงแพรสยาอยู่ถึงหมื่นชาติก็ยังไม่พ้นจากบาปกรรมนั้นเปรียบเหมือนคนที่กลืนกินยาพิษอย่างร้ายแรงมอมฉันได้ออกโบสเป็นภิกษุณี มีเพศประเสริฐในศาสนาของพระชินเจ้าพระนามว่าปัสสะได้เปิดเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเพราะผลแห่งกรรมนั้นเมื่อถึงภพสุดท้ายมอมฉั้นเกิดเป็นโอปภาติกะที่ระหว่างกิ่งต้นมะม่วงจึงมีชื่อว่าอัมพปาลีตามนิมิตหมายนั้นมอมชั้นมีประชาชนหลายโกรธแห่ห้อมล้อมมาบวชในศาสนาของพระชินเจ้าเป็นลูกหญิงแห่งพระพุทธเจ้า บรรลุถึงฐานะที่ไม่หวั่นไหวข้าแต่พระมหามุนีมอมฉันเป็นผู้มีความชำนาญในริษในทิพสุตธาตุและมีความชำนาญในเจโตปริยญาณรู้ปุเพนิวาสานุสติญาณที่พยะจักสุมอมฉันก็ชำระให้หมดจดแล้วอาส จ, จะวะทั้งปวงก็สิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกอาถาปฏิสัมพิทายานธรรมปฏิสัมพิทาาน นิรุตติปฏิสัมพิทาญาณและปฏิภาณปฏิสัมพิทาญาณของหม่อมฉันบริสุทธิ์ไม่มีมลทินเพราะอำนาจ ข, ของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดกิเลสทั้งหลายหม่อมฉันก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงหม่อมฉันก็ถอนได้แล้วหม่อมฉันตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอัสวะดุดพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ การที่หม่อมฉันมาในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดเป็นการมาที่ดีแล้วโดยแท้วิชาสามหม่อมฉันได้บรรลุแล้วโดยลำดับคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหม่อมฉันก็ได้ทำสาเร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้เพอปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภินยาหกหม่อมฉันก็ได้ทำให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหม่อมฉันก็ได้ทาสาเร็จแล้วดังนี้แหล ได้ทราบว่าพระอัมพาปาลีภิกษุณีได้พาสษิษฐานเหล่านี้ด้วยประการศนิอัมพาปาลีเทริยาประทานที่เก้าจบสิทธเสลาเทริยาประทานประวัติในดิจฉ่าของพระเสลาเทรีพระเสลาเทรีเมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉ่าของตนจึงกล่าวว่าในพัทรักัพนี้พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของพรามณ์ มีประยชน์ยิ่งใหญ่พระนามว่ากัสสปะตามพระโคดประเสริฐว่าเจ้าลัทธิทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นแล้วครั้งนั้นมอมฉันเกิดในตระกูลอุบาสกในกรุงสาวัตถีซึ่งเป็นเมืองประเสริฐเห็นพระชินเจ้าผู้ประเสริฐพระองค์นั้นและฟังพระธรรมเทศนาแล้วถึงพระวีระพระองค์นั้นเป็นที่พึ่งที่ระลึกและสมาทานศีลครั้งหนึ่งในสมาคมแห่งมหาชน พระมหาวีระพระองค์นั้นผู้องค์อ่านกวนนรชนทรงประกาศอาภิสัมโิญยานของพระองค์ในธรรมที่ไม่เคยฟังมาในกาลก่อนและในอริยสัจมีทุกเป็นต้นว่าเรามีจักสุญาณปัญญาวิชาและแสงสว่างแก่หม่อมฉันหม่อมฉันสะดับเล่าเรียนธรรมนั้นแล้วจึงสอบถามภิกษุทั้งหลายด้วยตามที่หม่อมฉันได้ทาไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่น มอมฉันละกายมนุษย์แล้วจึงได้เบื่อเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงบัดนี้พบนี้เป็นพกสุดท้ายมอมฉันเกิดในตระกูลมหาเษถีได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ฟังพระสัทธรรมอันประกอบด้วยมัจจุบวชแล้วค้นคว้าอัตธรรมทั้งปวงทำอาชวะทั้งปวงให้สิ้นไปแล้วได้บรรลุอรหัตผลโดยการไม่นานเลยข้าแต่พระมหาโมนีมอมฉันเป็นผู้มีความชำนาญในฤทธ มีที่ประสงคทาตาและมีความชำนาญในเจโตปริยญาณรู้ปุเพนิวาสานุสติญาณที่พยะจักสุม่อมฉันก็ชำระให้หมดจดแล้วอายสวะทั้งปวงก็สิ้นไปแล้วบัดนี้พกใหม่ไม่มีอีกอัตถปฏิสัมพิทาญานธรรมะปฏิสัมพิทาญานนิรุตติปฏิสัมพิทาญานและปฏิภาณปฏิสัมพิทาญานของหม่อมฉันบริสุทธิ์ไม่มีมลทิน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 เซลาเทริยาประธานที่สิบจบคัติยาปัญญาวรักที่สี่จบร่วมอปทานที่มีในวักนี้คือหนึ่งอัธาระสะสหะจักติยะกัญญาเทริยาประธานสองจตุราศีติสหะสะพราหมณกัญญาเทริยาประธานสอุปละทายุกาเทริยาประธานสสิงคาละมาตุเทริยาประธาน หสุกาเทริยาประทาน 6. อภิรูปนันธาเทริยาประทานเจอัทกาสีเทริยาประทาน 8. ปดปุนิกาเทริยาประทาน9อัมพปาลีเทริยาประทานสิเสลาบเทริยาประทานรวมวักได้สี่วักคือหนึ่งสุเมทาวักสองเอกูโปสถิกกะวคก 3. คุณทนเกสีวัคสีคัติยะกัญยาวัคในวัคนี้บันดิต ป, ประมวลคาถาไว้ได้หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเจ็ดคาถาพร้อมทั้งอุทานกคาถานับได้หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเจ็ดคถาเทรีอปทานจบบริบูรณ พระสุตตันตปิฎกขุทกนิกายพุทธวงศ์ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งราธนะจังกรรมณกันว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรงเนรมิต ท, ที่จงกรมแก้วท้าวสห บ, บดีพรมผู้เป็นใหญ่แห่งชาวโลกได้ประนมมือทูลอาราธนาพระผู้มีพระภาค ผู้ไม่มีใครประเสริฐยิ่งไปกวา่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีในดวงตาน้อยมีอยู่ในโลกนี้ขอพระองค์โปรโดอนุเคราะห์หมูสัตว์นี้แสดงธรรมเถิดพระผู้มีพระภาคผู้เป็นใหญ่แห่งชาวโลกเป็นผู้สูงสุดแห่งนรกอันหมูพรมประนมมือทูลนราธนาว่าสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นปราชุมีทุลีในดวงตาน้อยมีอยู่ในโลกนี้ ขอพระองค์โปรดอนุเคราะห์หมู่ชัตนี้แสดงธรรมเถิดข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นผู้นำขอพระสุคติโปรดแสดงธรรมขอพระองค์โปรดแสดงอมตะบทขอพระสุคติโปรดแสดงธรรมเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเถิดพระตถาคตผู้หาบุคคลเปลี่ยนไม่ได้ทรงถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะผู้คงที่ผู้ทรงความรุ่งเรืองทรงไว้ซึ่งพระวรากายครั้งสุดท้าย ทรงเกิดความกรุณาในสัพสัตพระผู้มีพระภาคผู้าศาสดาทรงสดับดังนั้นแล้วจึงตรัสพระดำรัสนี้ว่าพรหมสัตว์เราได้ผู้มีโสดประสาทจงปล่อยศรัทธามาเถิดเราไม่ได้ปิดประตูอมาตะธรรมแก่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเพราะเรารู้สำคัญว่าจะลำบากจึงไม่ได้แสดงธรรมที่ปราณีคล่องแคล่วในหมู่มนุษย์สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐกว่ามุนีเมื่อจะทรงอนุเคราะห์เหล่าเวนยสัตย์จึงเสด็จออกจากโคนต้นอาชปาลนิคโครธเสด็จถึงกรุงพารณสีโดยกการเสด็จดำเนินไปตามลำดับก็ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนบันลังที่ประเสริฐนั้นและทรงประกาศพระธรรมจักรคือทุกขสัตย์สมุทยสัต์นิโรธสัต์และมรรคสัตย์อันสูงสุดแก่ปัญจวคี ในการนั้นพระผู้มีพระภาคทรงประกาศพระธรรมจากนั้นแล้วเรือีปัญจวคีเหล่านั้นพร้อมด้วยหมู่พรหมและเทวดาประมาณ18โกรธได้บรรลุธรรมในครั้ประชุมครั้งแรกสมัยต่อมาเรืีปัญจวคีทั้งหมดคือโกลทัญญาวัปปะพัทธิยะมหานามะและอสัสศจิพร้อมด้วยหมู่พรหมและเทวดาประมาณ18โกรธ อันพระผู้มีพระภาคทรงแนะนําให้วิเศษโดยลำดับในการนั้นโซดาปฏิผลได้มีแคลราเทวดาในการประชุมครั้งแรกในการนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จถึงกรุงราชฤกษ์โดยการเสด็จดําเนินไปตามลำดับพระพุทธองค์ผู้ประเสริฐกว่ามุนีประทับอยู่ที่พระเวฬุวันมหาวิหารฝ่ายพระเจ้าพิมพิสารได้ทรงสดับความนั้นได้เสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค มีบริวารเป็นจำนวนมากถึงส1บอหนหุ่พระองค์ทรงใช้ประทีปของหอมทูบและดอกไม้เป็นต้นบูชาพระผู้มีพระภาคในสมาคมนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสแสดงกามาจินวะกถาว่าด้วยโทษของกามในเวลาจบพระธรรมเทศนาครั้งนั้นสัตว์ประมาณ 84,000 พันมีพระราชาเป็นประมุขได้บรรลุธรรมพระราชบิดาได้ทรงสดบความนั้น จึงทรงสงทูตไปก้านายทูตเหล่านั้นพร้อมด้วยบริวารเก00ทูลขอบรรพชากับพระมุนีทูตเหล่านั้นพร้อมด้วยบริวารทั้ง9ก้าพันได้บรรลุอรหัตผลครั้งสุดท้ายกาลุธา ย, ยีอ ม, มาตกับบริวารหนึ่งพันถือเพศภิกษุแล้วนิมนต์พระผู้มีพระภาคพระจักยมุนีผู้ประเสริฐทรงรับนิมนต์แล้วเสด็จดำเนินไปตามทางใหญ่เสด็จพร้อมกับภิกษุ มื่นรูปพระพุทธองค์เสด็จถึงกรุงกบิลพัฒน์โดยการเสด็จดำเนินไปตามลำดับได้ทรงทำปฏิหารที่ใกล้ฝั่งแม่น้ำโรหินีพระผู้มีพระภาคผู้สากยามุนีผู้ประเสรศิฐประทับนั่งทํากลางบันลังนั้นแสดงมหาเวสสันดรชาดกแก่ยยพระราชบิดาทํากลางบันลังนั้นสัสต์แปดมื่นสี่พันได้บรรลุธรรมพระผู้มีพระภาคทรงพระดำริว่า มนุษย์พร้อมทั้งเทวดาเหล่านี้ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นผู้สูงสุดแห่งนรชนี้เป็นเช่นไรพระพุทธเจ้าผู้ทรงประโยชน์เกื่อกูลแก่สัตว์โลกทรงมีกำลังริศและกำลังปัญญาเช่นไรมีพุทธพลังเช่นไรมนุษย์พร้อมทั้งเทวดาเหล่านี้ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าผู้สูงสุดแห่งนรชนี้เป็นเช่นนี้พระพุทธเจ้าผู้ทรงประโยชน์เพื่อกูลแก่สัตว์โลก ทรงมีกำลังริและกำลังปัญญาเช่นนี้มีพุทธพลังเช่นนี้เอาละเราจะแสดงพุทธพลังอันยอดเยี่ยมจากเนรมิตที่จงกรมซึ่งประดับด้วยรัตนะในนภากาศเทวดาประจำผ้ า, า พ, พื้นเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาชั้นเดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรดีชั้นปรนิมิตวสวสดี และเทวดาที่นับเนื่องในหมู่พรมต่างก็ยินดีได้พากันส่งเสียงอื้อเอิกึกก้องพื้นแผ่นดินพร้อมทั้งเทวโลกสว่างไสวโลกันตะนรกจำนวนมากที่ไม่เชื่อมต่อกันและความมืดอันหนาทึบถูกขจัดไปในการนั้นเพราะเห็นปาฏิหาริย์อันน่าอัศจรรย์แสงสว่างเจอจ้าอย่างโอฬารได้เกิดแผ่ซ่านไปในโลกทั้งสองคือในโลกนี้และโลกอื่น พร้อมด้วยเทวดาคนทันมนุษย์และรากสดแผ่ไปตลอดพื้นที่กว้างขวางทั้งเบื้องล่างเบื้องบนและเบื้องขวางพระศาสดาผู้ประเสริฐกว่าเหล่าสัตว์ไม่มีใครประเสริฐยิ่ยงไปกว่าทรงเป็นผู้นําวิเศษอันเทวดาและมนุษย์บูชาทรงมีอนุภาพมากมีบุญลักษณะนับร้อยทรงแสดงปฏิหารที่น่าอัศจรรย์ในสมาคมนั้น พระชินเจ้าผู้พระาศาสดาเสด็จถะขึ้นในนภาอากาศแล้วทรงในระมิภูเขาสินเนรุราชให้เป็นที่จงกรมที่รื่นรมทวยเทพในโลกธาตุมีหมื่นจักรวาลในมาตรการพระตถาคตแล้วกระทําการบูชาพระพุทธเจ้าในสํานักของพระชินเจ้าครั้งนั้นพระาศาสดาผู้มีพระจักสุเป็นผู้สูงสุดแห่งนรชนทรงเป็นผู้นําสัตว์โลก อันเท้าสหัมบดีพรมผู้ประเสริฐกว่าเทวดาทูลอาราธนาแล้วทรงพิจารณาเห็นประโยชน์ทรงเนรมิตที่จงกรมอันสําเร็จด้วยรัชนทุกชนิดสําเร็จดีแล้วพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้นําจัดโลกทรงมีความชํานาญในปฏิหารสามอย่างคืออิทธิปฏิหารอาเทศนาปฏิหารและอนุสาสนีปฏิหาร ทรงเนรมิตที่จงกรมอันสำเร็จด้วยรัตนะทุกชนิดสำเร็จดีแล้วทรงแสดงภูเขาสิเนรุซึ่งสูงสุดในโล ก, กาธาตุมีหมื่นจั ก, กรวาลเป็นดุดเสาเรียงกันไปตามลำดับในที่จงกรมซึ่งทำด้วยรัตนะพระชินเจ้าทรงเนรมิตที่จงกรมเลยขอปากหมื่นจั ก, กรวาลชานทั้งสองด้านที่จงกรมที่สำเร็จด้วยรัตนะสำเร็จด้วยทองคำล้วน ทรงเนรมิตภัยทีทองคําล้วนลาดด้วยแผ่นทองคําอันเหมาะสมแก่ขือและเต้าไว้ทั้งสองข้างรัตนจงกรมที่ทรงเนรมิตเกลื่อนไปด้วยสายแก้วมณีสายแก้มุกดาสว่างไปทั่วทิศเหมือนดวงอาทิตย์อุทยัยพระชินณสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นนักปราดมีพระลักษณะอันประเสริฐ32ประการทรงแป่งแปลงด้วยพระรัศมีที่รุ่งเรือง สเสด็จจงกรมอยู่ณที่จงกรมนั้นเทพทั้งปวงที่มาประชุมกันต่างก็โปรยปลายดอกมณทารพดอกปทุมและดอกปาริชัตกะอันเป็นทิพย์ลงบนที่จงกรมเทพทั้งหลายในหมื่นจักรวาลได้เห็นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นจึงได้มาประชุมกันต่างก็ยินดีร่าเริงบันเทิงใจมอบลงกราบเทวดาทั้งหลายชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิต ฉันนิมมานรดีและฉันปรนิมิตวัสวัตดีต่างก็มีจิตเบิกบานมีใจดีพากันมองดูพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกนาคครุฑหรือแม้กินนอนพร้อมด้วยเหล่าเทวดาคนทันมนุษย์และรากส์ต่างก็ได้เห็นพระศาสดาผู้ทรงเกือกปูนอนุเคราะห์สัตว์โลกเหมือนดวงจันทร์ลอยเด่นอยู่ในนภาอากาศเหล่าอภัสรพรมสุภกินหพรม เวหาภละพรมและอคติทพรมต่างองค์ก้นุ่งผ้าขาวล้วนยืนประนมมือต่างก็โปรยปลายดอกไม้ห้าสีและดอกมณฑารบที่เจอด้วยกระเจะจันและพากันโบกผ้าอยู่บนท้องฟ้าครั้งนั้นทั้งหมดต่างก็เปล่งเสียงว่าน่าอาัศ จ, จรรย์พระชินเจ้าผู้ทรงเกื้อกูลอนุเคราะห์สัตว์โลกพระองค์ผู้สูงสุดแห่งเทวดาและมนุษย์ ทรงเป็นพระาศาสดาปรากฏดังเสาทมเป็นหลักชัยเป็นที่พึ่งอาศัยและเป็นประทีปของปวงสัตว์เทวดาทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มากในหมื่นจักรวาลต่างก็ยินดีร่าเริงบันเทิงใจพากันแวดล้อมถวายบังคมเทพบุตรและเทพกัญญาต่างก็เลื่อมใสมีใจยินดีพากันบูชาพระผู้องค์อาจกวนนรชนด้วยดอกไม้ห้าสี เทวดาทั้งหลายได้เห็นพระาศาสดาพระองค์นั้นต่างก็เลื่อมใสมีใจยินดีพากันบูชาพระองค์ผู้องค์อาจกว่านรชนด้วยดอกไม้ห้าสีแล้วเปล่งเสียงว่าโอน่าอัศจรรย์ข น, นพองสยองกล้าวไม่เคยปรากฏในโลกความอัศจรรย์ข น, นพองสยองกล้าวเช่นนี้ไม่เคยปรากฏเทวดาเหล่านั้นนั่งอยู่ในภพของตนของตนได้เห็นความอัศจรรย์นในนภาอากาศแล้ว พากันหัวเราะดังลั่นเหล่าภูมิเทวดาที่ประจำอยู่ตามต้นไม้และอากาศัตเทวดาที่ประจำอยู่ตามดวงดาวต่างก็มีความยินดีร่าเริงบันเทิงใจพากันประนมมือนมัสการแม้พวกหน้าที่มีอายุยืนมีบุญญาธิการมีฤทธิ์มากต่างก็มีความบันเทิงใจนมัสการบูชาพระาศาสดาเป็นผู้สูงสุดแห่งนราชน บรรเลงสังฆีตตีกลองกันอยู่ในอากาศกลางเวหาเพราะเห็นเหตุอัศจรรย์ในนภาอากาศเทวดาจํานวนมากเป่าสังแว่งบันเดาะเพราะมะโหระทึกบรรเลงอยู่ในนภาอากาศเพราะเห็นความอัศจรรย์ในนภาอากาศเป็นความอัศจรรย์หนอไม่เคยปรากฏวันนี้เกิดขนพองเสียงกล้าวขึ้นแล้วเราทั้งหลายได้ความสําเร็จประโยชน์ที่ยั่งยืนขณะเราทั้งหลายให้สําเร็จเฉพาะแล้ว เพราะได้แสดงคําว่าพุโทโธเทวดาเหล่านั้นเกิดปิติในขณะนั้นต่างก็ยืนประนมมือกล่าวว่าพุโทโธพุโทโธสตัตว์ต่างๆที่อยู่ในฟ้าฟ้าต่างก็ประนมมือเปล่งเสียงสาธุการดังกระหึ่มและเสียงโห่ร้องบรรเลือลั่นนาคทั้งหลายต่างก็ขับร้องประสานเสียงประโคมปรบขณสดฟ้อนรำและต่างก็โปรยปลายดอกไม้ห้าสี และดอกมณฑารบที่เจอด้วยกระเจะจันร์กลาบทูลว่าข้าแต่พระมหาวีระที่พระยุคลบาทของพระองค์มีจักรลักษณะเป็นรูปธงชัยรูปธงปตากรูปวชิราวุธรูปแว่นแก้วและรูปขอไม่มีใครเทียบกับพระองค์ได้ในพระรูปกายศีล ส, สมาธิปัญญาและวิมุตติ อันหนึ่งไม่มีใครเสมอเหมือนกับพระองค์ได้ในเพราะการประกาศพระธรรมจักรกำลังกายของพญาช้างสิบเชือกเท่ากับกำลังกายตามปกติของพระองค์ไม่มีใครเสมอกับพระองค์ด้วยกำลังริษทั้งไม่มีใครเสมอเหมือนกับพระองค์ได้ในเพราะการประกาศพระธรรมจักรท่านทั้งหลายจงนมัส ก, การพระมหามุนีผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติทุก ป, ประการทรงประกอบด้วยองค์คุณทั้งปวง ทรงมีพระกรุณาทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกอย่างนี้พระองค์ย่อมควรแก่การอภิวาทการสะดุดีการไหวการสรรเสริญการนมัส ก, การและการบูชาทุกอย่างข้าแต่พระมหาวีระบุคคลผู้ประเสริฐที่สุดในบรรดาบุคคลผู้ที่ต้องไหวและบุคคลที่ควรไหวทั้งหมดในโลกเช่นกับพระองค์ไม่มีพระสารีบุตรผู้มีปัญญามาก เป็นผู้ฉลาดในสมาธิและในฌานยืนอยู่ที่ภูเขาคิชฌูได้เห็นพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกมองดูพระองค์ผู้องค์อาจกว่านรชนผู้งามเหมือนต้นพยาไม้สาละที่มีดอกบานสะพรั่งเหมือนดวงจันทร์ในท้องฟ้าและเหมือนดวงอาทิตย์ในยามที่ยงวันเห็นพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกผู้เป็นนักปราชญ์ซึ่งมีพระรัศมีแวดล้อมอยู่ด้านละวา รุ่งเรืองเหมือนต้นพฤกษาประทีปงามเด่นเหมือนดวงอาทิตย์ยามรุ่งอรุณพระสารีบุตรได้นิมนต์ภิกษุห้าร้อยรูปมีกิจอันกระทำแล้วผู้คงที่ผู้เป็นพระขีณาสพผู้ปราศจากมนทินให้มาประชุมกันในขณะนั้นแล้วกล่าวว่าพระชินเจ้าทรงแสดงปาฏิหาริย์อันทาสัตว์โลกทั้งปวงให้เลื่อมใสแม้เราทั้งหลายก็จะไปกราบไหว้พระชินเจ้าณที่นั้น มาเถิดเราทั้งปวงจะไปเฝ้าพระชินเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกจากทูลถามให้บรรเทาความสงสัยภิกษุผู้มีปัญญารักษาตนสำรวมอินทร์เหล่านั้นรับคำว่าสาทุแล้วต่างก็ถือบาตรและจีวรพากันเข้าไปหาพระสารีบุตรอย่างรีบเร่งพระสารีบุตรผู้มีปัญญามากพร้อมทั้งพระกีนาศพผู้ปราศจากมณทิน ผู้ฝึกตนในการฝึกอันยอดเยี่ยมพากันไปเฝ้าด้วยฤทธิ์พระสารีบุตรผู้เป็นเจ้าคณะใหญ่อันภิกษุเหล่านั้นแวดล้อมเข้าเฝ้าด้วยฤทธิ์ดังเทวดาลอยมาในฝ้าฟ้าภิกษุเหล่านั้นผู้มีวัดงามมีความเคารพยำเกรงไม่ไอาไม่จามพากันเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้นเข้าเฝ้าแล้วเห็นพระสยามภูเวระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลก ลอยเด่นอยู่ในนภาอากาศเหมือนดวงจันทร์ในฟากฟ้าเห็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกผู้รุ่งเรืองดังต้นพฤษาประทีพเหมือนสายฟ้าในท้องฟ้าและเหมือนดวงอาทิตย์ในยามเที่ยงวันภิกษุทั้งห้าร้อยรูปเห็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกดังห้วงน้าใสแจ๋วและดังปฐุมชาติที่กาลังบานต่างก็ยินดีร่าเริงบันเทิงใจ ประนมมือหมอบลงนอบน้อมแท้พระยุคลบาทที่มีจักรลักษณะของพระศาสดาพระสารีบุตรผู้มีปัญญามากมีผิวพันธ์เสมอเหมือนดอกงอนไก่เป็นผู้ฉลาดในสมาธิและในฌานว่ายพระศาสดาผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกพระมหาโมคลานะผู้มีฤทธิ์มากไม่มีใครเสมอได้ด้วยกำลังฤทธิ์มีผิวพันธ์เสมอเหมือนดอกอุบลเกียว ได้บรรลือมาด้วยวิสัยแห่งฤทธิ์เหมือนเนกในรถูฝนคำรนอยู่แม้พระมหากสปะเทระผู้ผิวพันธ์ด่างทองที่หลอมอยู่ในเบ้าพระศาสด า, สดาทรงสรรเสริญตั้งไว้ว่าเป็นผู้เลิศในฝ่ายทุดงคุณพระอนุรุทธะเทระผู้เป็นเจ้าคณะใหญ่เลิศกว่าบรรดาภิกษุทั้งหลายฝ่ายที่พยจักสุเป็นพระญาผู้ประเสริฐ ข, ของพระผู้มีประภาคยืนอยู่ในที่ไม่ไกล พระอุบาลีเถระผู้ฉลาดในอาบัติอนาบัติและสเตกิชา้าพระาศาสดาทรงสรรเสริญตั้งไว้ว่าเป็นผู้เลิศในฝ่ายพระวินัยพระเถระผู้เรือสีปรากฏชื่อว่าปุณณมรนตานีบุตรผู้รู้แจ้งในอัดอันละเอียดสุขุมประเสริจกว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายพระธรรมกถึกเป็นหัวหน้าคณะพระมุนีมหาวีระผู้ทรงฉลาดในอุปมาตัดความสงสัย ทรงทราบจิตของท่านเหล่านั้นแล้วจึงตรัสถึงพระคุณของพระองค์ว่าสิ่งที่นับไม่ได้มีที่สุดที่บุคคลรู้ไม่ได้สี่อย่างคือหนึ่งหมู่สัตว์สองอากาศสอนันต จ, จักรวาลสพระพุทธยานที่หาประมาณมิได้สิ่งเหล่านี้อันใครๆไม่อาจรู้แจ้งได้การที่เราจะแสดงฤทธนี้จะอจจัศจรรย์อะไรในโลกเล่า เพราะความอัศจรรย์ที่ทำให้เฟิร์คุนพองสยองกล่าวอย่างอื่นยังมีอยู่อีกมากมายในการใดเราเป็นเทพยอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตในการนั้นเรามีชื่อว่าสันดุสิตเทพรบุะบุเทวดาในหมื่นจักรวาลได้มาประชุมกันแล้วประนมมือกล่าวอัญเชิญเราว่าข้าแต่พระมหาวีระบัดนี้ถึงเวลาสมควรของพระองค์แล้วขอเชิญพระองค์เสด็จอุบัติในพระคันมารดา ตรัสรูอ้อมตะบทช่วยจัดโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามพ้นสังสารวัฏเถิดขณะเมื่อเราจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตลงสู่ครันนั้นโลกวัฒนมีหมื่นจักรวาลแผ่นดินก็ไหวขณะเมื่อเรามีความรู้สึกตัวประสูติจากพระคันมารดานั้นทวยเทพก็พากันสาธุการหมื่นจักรวาลก็ไหวในการก้าวลงสู่พระคันมารดาและในการประสูตร ไม่มีใครเสมอด้วยเราเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในการตรัสรู้และในการประกาศพระธรรมจักรโอ้ความอัศจรรย์ได้มีในโลกเพราะพระพุทธเจ้าทรงพระคุณมากโลกธาตุมีหมื่นจักรวาลไหวหกครั้งมีรัศมีสว่างจ้าหน้าอัศจรรย์ผลพองสยองกล้าวก็สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคชินเจ้าผู้เริญที่สุดในโลกทรงองค์อากว่านราชน เสด็จจงกรมด้วยพระฤทธิ์แสดงให้มนุษย์พร้อมทั้งเทวโลกเห็นพระศาสดาผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกเสด็จจงกรมอยู่ในที่จงกรมนั่นเองตรัตธรรมเมกะถาไม่เสด็จกลับในระว่างเหมือนเสด็จจงกรมอยู่ในที่จงกรมเพียงสีศอกพระสารีบุตรผู้มีปัญญามากเป็นผู้ฉลาดในสมาธิและฌานถึงความบริบูรณ์ด้วยปัญญา ได้ทูลถามพระศาสดาผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกว่าข้าแต่พระมหาวีระเป็นผู้สูงสุดแห่งนรชนอภินิหารของพระองค์เป็นเช่นไรข้าแต่พระวีระเจ้าพระองค์ทรงปรารถนาพระโพธิญาณอันสูงสุดในการไรทานศีลเนคขัมมะปัญญาวิริยะคันติสัจจะและอธิษฐานเป็นเช่นไรเมตตาและอุเบกขาเป็นเช่นไร ผ่าแต่พระมหาวีระผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกบารมีสิบเป็นอย่างไรอุปบารมีสิบเต็มได้อย่างไรและประมัทธบารมีสิบเต็มได้อย่างไรพระทรงอธิษฐานกรรมอะไรเป็นอธิบดีได้อย่างไรมีบารมีได้อย่างไรนักปราดเป็นเช่นไรในโลกเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาเป็นเช่นไรพระองค์ทรงบำเพ็ญพุทธกาลกะธรรม ทมที่กระทำความเป็นพระพุทธเจ้าให้บริบูรณ์สิ้นเชิงได้อย่างไรพระศาสดาผู้มีพระสุรเสียงไพเราะดังเสียงนกกระเวกอันพระสารีบุตรนั้นทูลถามแล้วสรงพยากรณ์ให้เย็นใจและส่งธรร ม, มนุษยโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ร่าเริงพระศา ส, าสดาทรงประกาศประโยชน์เกือ้อกูลแก่สัตว์โลกที่พระพุทธจเจ้านดี ท, ทรงแสดงไว ทรงชมเชยที่นําสพเสืบกันมาของพระพุทธเจ้าด้วยพระพุทธญาณที่เป็นไปตามปุกเพนิวาสานุสติญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกว่าท่านทั้งหลายจงทําจิตให้เกิดปิติปราโมทให้บรรเทาลูกศรนคือความเศร้าโศกให้ได้สมบัติทั้งปวงแล้วจงฟังเราท่านทั้งหลายจงดําเนินไปตามมรรคที่ย่ํายีความเมาบรรเทาความเศร้าโศกปลื้งตนจากสงสาร เป็นที่สิ้นทุกข์ทั้งปวงโดยความเคารพเถิดรัตนจังกรรมะกันจบ